พรรษานี้เป็นปีแรกที่อาตมาได้มีโอกาสมาจับพรรษาที่ปูหลงโดยปกติแล้วอาตมาจะอยู่สุกโตประจำคือไปไปมามาจะมาปูหลงก็ตอนรับกระถิน่นแล้วก็งานพับป่าหรือปลูกป่าปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นการแรกด้วยที่อามาได้พูดให้แม่ออกฟังกันถือเป็นน้องใหม่ของปูหลงสิ่งที่อาตมาประทับใจที่จับพรรษาที่ปูหลงก็คือการบิณฑบาตการบิณฑบาต ที่บูหลงเนี่ยจะแตกต่างจากทุกที่ในประเทศไทยตรงที่ว่าเดินออกไปก็มีไก่วิ่งตามแล้วเป็นฝูงเลยมีไก่มีหมาวิ่งบางทีหมาก็โดดกระโดดเกาะอาจารย์ปสาทีกหลายตัวเลยซึ่งภาพแบบนี้จะหาที่อื่นไม่ได้เลยจะหาได้เฉพาะที่นี่คืออาจารย์ถ้ามีเมตตาบางทีญาตโยมให้เขาเหนียวมาเนี่ย อาจารย์และพระในวัดเนี่ยก็จะแบ่งให้ไก่กินมั่งหมากินมั่งที่อื่นเน่ยเขาจะไม่ยอมนะเขถือว่าอาจจะทําให้ศรัทธาไทยตกอหะโยมถวายข้าวให้พระแล้วมาทําแบบนี้ได้ยังไงแต่อาจารย์ท่านจะมองคพมุมมองว่าอาหารของเราก็เยอะอยู่แล้วให้ทานกับศตร์ไปเนี่ยเราก็ยังมาเหลือเลยเหลือกินแหละและได้ไประโยชน์ด้วยบางทีหมาหรือไก่เนี่ยก็ระบาดนะบางทีเกิดเป็นหมาเป็นไก่ ความสุก็น้อยอยู่แล้วชีวิตก็ลําบากแต่พอเราให้ทานเขาเนี่ยเขามีความสุขนะทุกเช้าเนี่ยเขาเห็นพระเขาวิ่งแบบดีใจกันเป็นแถวเลยบางตัวถึงอาจารย์ท้าไม่ได้ให้อาหารมันก็ระโดดเกาะหรือมาเล่นอย่างเงี้ยจะเป็นภาพที่ไม่มีที่ไหนในโลกมีที่ภูหลงเท่านั้นอัดมาก็ต้องขอขออนุญาตญาติโยมบางทีอาละวาอาจจะต้องถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เพื่อนําไปโพใน Facebook หรือไปเผยแพร่ให้คนเขาเห็นไนงะบางครั้งอาจจะไม่สมรวมบ้างก็ขอญาตโยม ให่ไัยก็แล้วกันเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องลงทุนทําอ่ะภาพเหล่า น, นี้จะไม่มีถ้าเรามาไม่ถ่ายรูปนะภาษาเนี่ยถ้าถ้าใครไปดูใดเฟซบุ๊กเราจะเห็นภาพบิดาบาสสวยๆมากมายเลยของหมู่บ้านตัดดินทองเนี่ยใครเห็นก็มีความสุขละแล้วลการทําทานทําบุญเนี่ยถ้าญาติโยมวางใจไม่เป็นนะทําไปอาจจะได้บุญน้อยหรือทุกก็ได้อย่างเราให้อาหารพระแล้วเนี่ยพระจะนําอาหารเราเนี่ยไปทําอย่างไรก็ได้ ถือเราให้แล้วถ้าเกิดญาติโยมมีความสึกว่าให้แล้วต้องฉันของเรานะยึดถือว่าเนี่ยเป็นของกูอยู่นะอันนี้โยมจะทุกข์ละอันนี้นการวางใจที่ผิดเราให้แล้วพระจะไปทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้อสังฆทานของใช้ต่างๆเนี่ยบางทีอาจารย์ก็ไปแจกวัดอื่นวัดเราเยอะไปช่วยวัดที่ยากจนอะไรเงี้ยเราก็ได้บุญให้ปุ๊บก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราปล่อยวางให้เป็นที่ไต้หวันมีอมาม่าอยู่คนหนึ่งอมาม่าคนนี้เป็นคนที่แบบ อามาเห็นว่าใจดีมากๆเลยถ้าไม่ใจดีอามาไม่มาเล่ายองฟังหรอกเป็นคนที่เป็นคนที่แปลกอ่ะใจดีแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคนเนี่ยช่วยจริงนะช่วยทั้งชีวิตนะแล้วไม่หวังผลตอบแทนด้วยช่วยแล้วขาดทุนอามาคนนี้ถ้าเกิดเรียกแบบคนไทยก็คือยายหรือย่าเนี่แหละภาษาจีนเขาเรียกาอามาคือเป็นคนชร า, าหญิงชร า, าก็จะขายข้าวแกงเพื่อ ให้คนงานที่ท้าเรือรับประทานกันโดยขายในราคาถูกๆสิบบาทจานหนึ่งอะตักเท่าไหร่ก็ได้เพราะการที่แกขายสิบบาทนี่แหละทุนหายกับรายหดเพราะว่าต้นทุนมันเกินสิบบาทบางคนไม่มีเงินเนี่ยแกก็ให้กินฟรีด้วยแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกแกก็ไม่ยอมหยุดแกสงสารคนงานท่าเรือกลัวจะไม่อิ่มกลัวจะลาบากพอไปต่อสาวๆเนี่ย แกมีสามีตั้งแต่อายุสิ 16, และสามีไปเกณฑ์ไปเป็นทหารเนี่ยชีวิตแกตอนนั้นก็ลําบากมากเลยเงินก็ไม่มีต้องเลี้ยงล่อนแล้วก็ได้อาศัยคนงานท่าเรือเนี่ยแหละช่วยเหลือไว้ทำให้แกนเนี่ยทราบถึงบุญคุณของคนงานท่าเรือพอสามีแกกลับจากเป็นทหารเนี่ยฐานะครอบครัวก็ดีขึ้นก็เรลยตั้งใจว่าจะทําอาหารเนี่ยให้คนงานกินตอนแรกก็ไม่เก็บตังค์หรอกแต่ตอนหลังมาเริ่มเก็บถูกๆทําตั้งแต่ยังสาวเนี่ย จนถึงไวยชร า, าขายไปตั้งห5ิหปีได้ข่าวว่าแกเนี่ยเป็นหนี้ต้งสองล้านกว่าขายบ้านไปตั้งหลายหลังเพราะว่ามันขาดทุนลูกเดียวอะ่ะแต่ฟาร์มที่ทำแล้วมีความสุกก็เลยต้องทำต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจเรามาก็คืออมาม่าคนนี้ตายในขณะที่อายุ96ปีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครก็คือมีคนมาร่วมงานศพของแกเนี่ยสองพันกว่าคน พวงหลีดยาวเหยียดเลยทุกคนก็ไม่ใช่ญาติของแกนะแต่ทุกคนรับถือแกเหมือนญาติเหมือนญาติผู้ใหญ่เสียงร้องไห้และงมกันบนถนนทั้งสายอันนี้สร้างความบรับใจให้คนทั่วไปมากเลยว่าคนดีอย่างนี้มีอยู่ในโลกได้หรือทําดีโดยไ ม, ไม่หวังผลตอบแทนช่วยคนด้วยใจบริสุทธิ์อามานี่คือตัวอย่างของการทําความดีและทําจริงๆตลอดชีวิตแต่ถ้าเราทําดีหวางใจไม่เป็นก็ถูกอา จ, จารย์ประสานพูดบ่อย อย่างถ้าทําดีแล้ววางใจเป็นเนี่ยบุญกุศลก็ได้ด้วยเราก็มีความสุขด้วยจากการทำความดีคือทําดีเราต้องปล่อยวางให้เป็นมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรหลวงพ่อท่านนี้ต่อชีวิตของท่านเนี่ยมีความสุขตลอดเพราะท่านมองโลกในแงด่ดีใครๆก็ฐาน้มแม่ท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะพอหลวงพ่อเนี่ยจะพูดดีเนาะจะติดปากมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ นิมนท์ท่านไปฉันเพลงที่บ้านและแสดงธรรมด้วยบ้านงานอยู่ไกลลูกศิษย์ก็น่าทใ ห, ห้หลวงพ่อเนี่ยไปในเช้าหลวงพ่อก็รอแล้วรอเล่ารถก็ไปมาทีหลวงพ่อก็พูดว่าก็ดีเนาะฉันของเราเองก็ดีเนะาะตักอาหารเข้าปากได้พิก่กคํารถก็มาลูกศิษย์ก็มาขอโทษขอโพยอบอกรถเสียแล้วต้องรีบเดินทางหลวงพ่อก็ต้องวางช้อนแล้วท่านก็นพูดขึ้นว่า ไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะแล้วถ้าคือนรถไปรถวิง่งมาได้สักพักหนึ่งรถเจ้ากรรมก็ดัำมาเสียอีกเครื่องดับไปดืด้อลูกศิษย์ก็ลงไปซ่อมหลวงพ่อนั่งรอบนรถหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะได้ชมวิวข้างทางไอ้ลูกศิษย์ซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่รถก็ไปติดจึงมาตามไม่หลวงพ่อเนี่ยลงมาช่วยเข็นขนาดนั้นหลวงพ่อก็อายุมากแล้วหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะได้ออกขอลำไกร หลวงพ่อก็ไปเข็นจุรถติดแล้วแหละรถติดก็เลยวิ่งไปบ้านงานพระเอิญไปถึงเลยเที่ยงหลวงพ่อก็เลยอดฉันเลยทั้งเช้าทั้งเพลนไปถึงเจ้าภาพก็นิมนต์แสงทำหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เนาะขึ้นทำ ม, มาสไประหว่างที่แซงทำอยู่นั้นด้วยความรีบร้อนลูกสีดก็ชงกาแฟมาถวายแหละแต่หยิบเกลือใส่แทนน้ำตาล หลวงพ่อฉันไม่ได้คำหนึ่งก็บอกว่าดีเนาะแล้วก็วางวางถ้วยไว้หลวงพ่อเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีคนนับถือมากลูกศิษย์เห็นว่าถ้าได้ทานของที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นมงคลชีวิตจึงมาขอกาแฟหลวงพ่อวางไว้อะ่ะทานต่อทานไม่ได้คำหนึ่งก็พ่นพูดออกมาเลยแล้วก็บ่บนกันว่าหลวงพ่อฉันไม่ได้ไงเนี่ยคิดิด ป, ปีป้เลยหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มเขาบอกก็ดีเนาะ ฉันกาแฟหวานๆมามามากแล้วเนาะแต่เหตุการณ์ที่ทําให้คนโจลดใจกันมากก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งบิจโจละป้นท่านโจรเนี่ยมันสืบดูแล้วพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าคุณชั้นเทพเป็นกีจีอาจารย์ชื่อดังโจนมันคงคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากเลยวันหนึ่งหลวงพ่ออยู่ที่กุดเน่ยมันก็มาคมคูเลยหลวงพ่อมีของอะไรส่งมาให้หมดนี่คือการป้น หลวงพ่อก็แทนที่จะตกใจกลัวโจรท่านกลับยิ้มยิ้มมองหน้าโจรแล้วก็พูดคือว่าปล้นก็ดีเนาะโจรมันก็งงมันบอกปล้นก็ดีเนาะยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าข้าเนี่ยเบื่อเฝ้าสมบัติบ้านนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นเองเอาไปอ่ะก็ดีเนาะโจรมันก็ขมขู่อีกนะบอกฉันเนี่ยไม่ได้มาปล้นเท่านั้น ต้องฆ่าหลวงพ่อด้วยปิดปากเดี๋ยวหลวงพ่อบอกตำรวจหลวงพ่อก็บอกว่าฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็ชักแปกใจฆ่าจะริญ น, น, นะได้ไงหลวงพ่อบอกว่าฆ่าเนี่ยแก่แล้วต้องดูแล ร, ร่างกายสังขารที่เสื่อมโทมลงทุกวันเองฆ่าฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็ได้ยินก็รู้สึกว่าสงสารและใจอ่อนอ่ะก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อบอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะ จนชักแปกใจเอ๊ะหลวงพ่อเอาะไรกันแน่ฆ่าคดีเนาะไม่ฆ่าดีเนาะหลวงพ่ออธิบายว่าเองฆ่าฆ่าเนี่ยมันก็เป็นบาปตำรวจก็ต้องตามจับเองเผลอถ้าเองไม่เข้าคุกก็ต้องโดนวิสามันตายไปต้องตกตะลบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเองแม่ฆ่าฆ่าก็ดีเนาะโจได้ฟังนั้นนั้นก็ได้คิดก็เลยไม่ปล้นไม่ฆ่าจับวัดไปโดยดีหลวงพ่อดีเนาะ ท่านมองโลกในแง่บวกเจอเหตุการณ์ร้ายเนี่ยก็ผ่านไปได้ดีๆถ้าเป็นโยมเนี่ยพอเผื่อสู้โจรโดนโจรฆ่าตายก็ได้นะเพราะหงสมบัติหลวงพ่อยอมหมดเลยเอาไปก็ไปอยากฆ่าก็ฆ่าหลวงพอดีเนาะมีตัวตนอยู่จริงนะที่ได้ฉายาหลวงพอดีเนาะก็มาจากในหลวงนั่นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จไปที่วัดมัชชิมาวาสที่จ้าหัดอนเน่ยหลวงพ่อดีเนาะท่านชอบผู้ดีเนาะจนปากนะโยมก็กลัวจะไปผู้ดีเนาะในหลวง ก็เลยบอกให้ท่านเนี่ยเจอได้หลวงนะให้ยิ้มยิ้มไว้อย่าพูดอะไรในหลวงเสด็จมาถึงวัดก็เข้ามาทักทายคือมีปฏิสันถายกับหลวงพ่อแหละหลวงพ่อยิ้มอย่างเดียวเลยจนด้หลวงแปลกใจก็ให้คลาดชบริพานเนี่ยไปถามดูว่าหลวงพ่อเนี่ยฟังพระกลางออกไหมดีน้อหลวงดีน้ะหลวงโยมเนี่ยไม่ไม่คอยเว้าเพราะกลัวข้อยจะว้าบบม่วงดีน้อหลวงดีน้อหลวงคำว่าดีน้ะหลวงนี่แหละ ในหลวงก็เลยตั้งให้เป็นเจ้าคุณชั้นเทพชื่อว่าพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุุทานธรรมวาทีแปลว่าผู้มีวาจายไพเราะหลวงพ่อดีนเนี่ยท่านเกิดพศ2415นงมรณภาพในปี2513อายุ ก, ก็98้ปีถือว่าเป็นอายุยืนอยู่ในยุคเดียวกับหลวงปู่มั่นเรื่องของท่านเนี่ยาสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างพวกโยมเนี่ยเจอลูกหลานขัดใจ ก็ดีเนาะรออะไรที่นานก็ดีเนาะทําอะไรก็ดีเนาะหมดดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจอากาศร้อนเกินไปก็ดีเนาะฝนตกก็ดีเนาะเจอคนขัดใจก็ดีเนาะชีวิตของเราเนี่ยจะพาทุกเจร้อยลงเลยปล่อยวางปล่อยวางชิ้นประจําวันเพราะว่าการทําบุญอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องวางใจให้เป็นด้วย ถ้าเกิดเราวางใจให้เป็นเนชีวิตเราก็ทุกแหละเราอยู่กับโลกธรรมเนียเ่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุก์มีแสนเสนมสีนทาทุกคนต้องมาสบไม่มีอะไรที่ได้อย่างใจหรอกส่วนมากจะทุกมากกับสุขด้วยแต่ถ้าเราวางใจเป็นนะปล่อยวางเป็นแบบหลวงพ่อดีเนาะเนี่ยอะไรอะไรก็ดีเนาะหมดไม่ได้อย่างใจก็ดีเนาะชีวิตเราก็อยู่กับโลกธรรมสบายๆปัญหาก็ร้อยลงอย่างทำบุญให้เป็นเนี่ยบุญมี10อย่างบุญเกี่ยวถูกสิบเนี่ย บุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสําเร็จด้วยการภาวนาบุญสําเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนบุญสําเร็จด้วยการช่วยเหลือขนกวายบุญสําเร็จด้วยการแผ่เมตตาชักชวนคนอื่นให้ทำความดีแบ่งบันความดีบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรม บุญสำเร็จด้วยการทำความเป็นให้ตรงและถูกต้องอันนี้10อย่างถ้าโยมทาบุญเป็นเนี่ยโยมสามารถทําได้ตลอดเวลาเลยอย่ามาวัดก็มาช่วยเหลือลขนไายเห็นใครทำความดีก็สาธุนมโมทนาบุญด้วยเราก็ได้บุญนะบางทีเราไม่ไม่มีเงินอนะ่ะเห็นคนเขาถวายสังฆาทานเราก็สาธุเห็นคนใส่บาตรแล้วก็สาธุเห็นอะไรสาธุหมดขณะจิตเราก็ไปกุศลลงทุนน้อยได้ผลมากได้บุญตลอดเวลาถ้าาโยมทําเป็นนะ ยอฟังอนมาพูดเนี่ยยอก็ได้บุญแล้วบุญจากการฟังธรรมมีห้าอย่างหนึ่งได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาฟังก่อนสองบางทีก็ได้ยินได้ฟังแล้วมันก็เข้าใจยิ่งขึ้นทําให้หายสงสยัยทําให้จิตผ่องใสขณะฟังธรรมทำความเห็นใจถูกต้องอันนี้บุญเกิดทันทีเลยแต่ถ้าโยมไม่ตั้งใจฟังยมก็ไม่ได้บุญฟังหูซ้ายทะลุขวาประโยชน์ก็ไม่มี แม้แต่คนพูดไม่เป็นเนี่ยถ้าโยมตั้งใจฟังก็ได้บุญนะยังมีหลวงพ่อบางคนเนี่ยเทสไม่เป็นหรอกเทสแล้ว ก, กล่อมโยมหลับทั้งสาราเลยมัคทายกเนี่ยหลายๆครั้งก็ไปถามหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเทสได้คนหลับทั้งสาราเนี่ยทำยิ่งได้ไงหลวงพ่อก็บอกว่าเองไม่เห็นเลยว่าคนสมัยเนี้ยเครียดนอนก็ไม่ค่อยหลับข้าเนี่ยพูดได้คนหลับเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งยาเองว่าข้าไม่ดีเหรอบอกในแง่บวก วังใจให้เป็นชีวิตก็มีความสุขอันมาพูดมาเนี่ยก็เห็นว่าสมควรเกี่ยเวลาถ้าพูดนานกว่านี้เดี๋ยวโยมจะไม่ดีเนาะขอโยมหิวข้าก็ได้ที่จริงไปนพูดได้เรื่อยอันมาพูดได้เป็นชั่วโมงนะแต่ว่าเวลามันจํากัดขอจบลงแค่นี้การขอให้โยมมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดถูกต้องก็ขอให้สมปทานาขอจบลงแค่นี้